อันนั้นในช่วงห้าวันเนี่เราอยากจะทำให้ชัดเจนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีจะให้เราไม่ลังเลไม่สงสัยในเรื่องปฏิบัติภาคปฏิบัติก็คือทำตามแบบทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าท่านท่านว่าไว้ท่านว่าไว้อย่าง น, นี้เราทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่มาเองจบเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ในส่วนทางั้งสองส่วนดัง น, นั้นเบื้องต้นเนี่ยให้อยากจะให้ทราบก่อนว่าเรามาปฏิบัติเนี่ยเรากำลังศึกษาในวิถีของวิปัสสนาตรงนี้ว่ากันให้ชัดเลยนะไม่ใช่วิถีของสมถะแต่ส่วนใหญ่เราผ่านทางแห่งสมถะมาด้วยกันทั้งนั้นนะแต่ว่าเราได้ทราบจาก หลักพุทธศาสนาแล้วในสมถะเนี่ยมันมีสองลักษณะหนึ่งสมถะที่ทําให้ในเกิดพลังของจิตที่เรียกว่าเจโตวิมุตติสองสมถะที่เป็นเพื่อนหนุนวิปัสสนาเรียกว่าปัญญาวิมุตติแต่เราจะทําสมถะที่เอื้อต่อวิปัสสนาเพราะว่าสมถะที่เป็นไปลักษณะล้วนๆเพื่อเกิดเจอตัววิมุตติเนี่ย กำลังอินทรีย์ของเราไม่พอเวลาของเราไม่พอสิ่งแวดล้อมของเราไม่พอวิถีชีวิตของเราไม่เอื้อต่อเจอตัววิมุตติเพราะฉะนั้นเราจะไม่เน้นในแง่ของพลังจิตเพื่อที่จะไปสะกดกิเลสเหมือนเราเอาหินทับหญ้าจนกระทั่งไม่ต้องยกหินลงเลยจนกระทั่งรากมันตายไปเอง ซึ่งเราใช้เวลานานมากกว่ารากหญ้ามันจะตายนะแต่เราจะใช้วิธีว่าเ อ, อ้ยยกหินออกแล้วขุดเอารากมันออกเลยไม่ต้องรอให้รากมันตายเพราะหญาเพราะหินมันทับแต่เราจะเอาหินออกแล้วขุดรากมันออกอันนั้นมันจะไวกว่าแล้วก็ปลอดภัยฝ่าด้วยนะแต่ว่านคนสมัยก่อนเราเนี่ยท่านมีอินซีคุณประดิษฐ์กอของคุณไม่ได้เวิร์กหรอกนอ่า เพราะฉะนั้นอินทรีย์เข้มแข็งความเข้มของอินีย์ไม่พอเราต้องยอมรับว่าคนยุคปัจจุบันเนี่ยศักยภาพของร่างกายเนี่ยลดศักยภาพลงไปอันมาก <c oughs> เพราะเราอยู่ในยุคของการพัฒนาที่เต็มไปด้วยออความความสมดุลทางธรรมชาติมันขาดหายไปสารพิษมันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นโครงสร้างทางอาหารอากาศอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันทาให้ ระบบของการประสาทการรับรู้สกริรภาพของกําลังกายมันสมองอะไรต่างๆมันลดลงไปเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีของสมถานี่กำลังไม่พอดังนั้นมีทางเลือกก็คือวิธีของวิปัสสนาแต่ใ น, นสมถานที่เราทําไปต้องทําเพื่อเอื้อต่อวิปัสสนาไม่ทําเพื่อเอื้อแต่พลังของจิตที่ส่วนใหญ่ที่เขาเขามีเวลาเขาทํากันแต่เราไม่มีเวลาขนาดนั้นดังนั้นเอง ในหลักอันนี้ก็เลยเรามาได้หลักวิธีการโพทดเห็นที่ท่านจะว่ารัดสั้นช็อตคัดรัดนะสั้นไวแต่ว่าเราจะเพิ่มความทีของการกำหนดรู้และการตามรู้แทนที่เราจะใช้เวลาเพียงช่วงที่เรามาปฏิบัติเป็นยังไม่เวิร์กอยู่ดีนะก็องหุเพราะฉะนั้นในช่วงของการปฏิบัติ ที่ว่าเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นนี่ไม่พอแต่ในระหว่างทางนะ <c oughs> ระหว่างที่เราทำกิจกรรมต่างๆการเข้าห้องน้ำการรับอาหารการทำกิจกรรมต่างเนี่ยเราก็เก็บไปด้วยนะเก็บในอีโบต์ไปด้วยเราจะเน้นจุดนี้ด้วยเพราะว่าในการเคลื่อนไหวโดยปกติของเราเนี่ยเเราสนองตง่อความเคยชิน มากกว่าใช่แต่ในจุดเนี้ยเราจะแบ่งพื้นที่ของความเคยชินเนียให้เป็นพื้นที่ของความรู้สึกตัวได้สักเท่าไหร่ก็คือนั้นความสามารถของแต่ละคนอันนั้นเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนการที่เราเก็บตัวความรู้สึกตัวในกิจกรรมต่างๆของชีวิตประจําวันเนียอันนั้นคือสมรรถที่เอื้อต่อวิปัสสนาเราอาศัยรูป การเคลื่อนไหวของรูปใช่ไหมเราเอาศัยความรู้สึกของรูปและเราเอาศัยรูปภายนอกก็คือที่สิ่งที่เราสัมผัสที่เกี่ยวข้องแล้วเราก็อาศัยรูปภายในคื อ, อากายของเราเองเนี่ยเป็นตัวสื่อนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องมีความชัดเจนในแง่ของรูปแบบซะก่อนนะรูปแบบคือการนั่งสร้างจกีววเดินจุ ก, กลมเนี่ยให้ชัดเพราะนั้นใน ที่นี่ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะใช้ได้หลายจุดแต่ดูแล้วหนึ่งเวลาเราจํากัดแต่สองข้างบนเนี่ยที่เราพอลานกว้างของสนามยิมนี่นะแล้วก็อากาศก็ฟลูดีทั้งสองข้างนั้นตอนเช้าวันต่อไปเราอาจจะยกจากสนามนี้ไปข้างนอกแต่ลวงพ่อไปนั่งด้านนั้นลมมันมันก็ผ่านแรงดีนะฮะนั้นตรงนี้เราจะนั่งห่างกันมากกว่านี้แล้วก็ใช้ได้ทั้งเป็นที่ทํากิจกรรมแล้วก็ ทำาการปฏิบัติตรงนั้นได้เลยแต่บางช่วงที่เราอาจจะไปผ่อนคลายเช่นช่วงเช้าช่วงเย็นอาจจะเดินจงกรมข้างนอกอันนี้ก็เป็นช่วงๆไปดูความเหมาะสมทีนี้กลับมาดูว่าวิธีของสมร t h ที่เป็นไปเพื่อพลังจิตเพื่อจะกดทับกิเลสของเราให้มันตายเนี่ยเขาทำกันมาเยอะแล้วในยุคนี้แล้วก็วนใหญ่ประเทศไทยยังอยู่ลักษณะนั้น 80- 90% เพราะมันเป็นวิธีที่ง่ายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่ว่ามันไม่ยั่งยืนเราจะต้องเติมมาเรื่อยๆเป็นลักษณะที่มันโอกาสที่มันจะเป็นอัตโนมัติได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าฐานรับคือรูปรูปคือร่างกายเพราะเลยเนี่ยมันเป็น อ, อยู่ภายใต้อำนาจของอะไรตรรกะใช่ไหมอันนี้จังทุกขังหน้าตา กฎอันที่หนึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในเปลี่ยนแปลงภายนอกคือที่าตาของเราสัมผัสได้เปลี่ยนแปลงภายในคือใจสัมผัสไดนะ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่จิตของเราสัมผัสได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งสองส่วนเนี่ยบางส่วนที่เร า, าสามารถ <c oughs> าสัมผัสได้เช่นนั่ง สร้างจังหวะการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เราเห็นคือการจังหวะการเปลี่ยนแปลงภายในก็คืออาการเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมทีนี้การเปลี่ยนแปลงทั้งสองส่วนเนี่ยถือว่าก็จะนําไปสู่ความแปรปรวนแปรปรวนหมายความว่ามันจะทําให้เรารู้สึก ต่ออาการหนักอาการเบาเช่นหนักแล้วเราก็ ร, ากราก่างกายแล้วก็แปรปรวนของเลือดลมเลือดลมเดินไม่สะดวกเรื่องแปรปรวนสมมติเรานั่งไปนานๆเราไม่เปลี่ยนเลยอาการเราจะหนักขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมต่อาการหนักขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายถึงว่าท่อเลือดท่อลมของเราที่ทเป็นถนนของการเปลี่ยนแปลงของท่าสีเนี่ยมันถูกบล็อกเช่นเรานั่งกับคืน้น ถ้าแข็งมันก็จะบล็อกได้ไวขึ้นเส้นเลือดเส้นลมของเรา <c oughs> ติบตันไวขึ้นแต่ถ้าเรานั่งที่อ่อนนุ่มมันก็การติบตันก็น้อยลงไปหน่อยหนึ่งอาจจะนั่งได้นานแต่มันก็แช่นําไปสู่การแชร่การเพลินนี่นั่นข้อความแปลปวดอยู่เนี้ต้องถูกตามรู้ทุกต้องกําหนดรู้ใช่ไหมความแปลปวดคือหมายถึงทุกขัง าการเปลี่ยนแปลงหมายถึงอนิจจังความแปรปรวน <c oughs> หมายถึงทุกข์ังแ ล, แล้วก็ความแปรปรวนนี่เราไม่สามารถจะควบคุมให้มันเป็นไปตามความต้องการได้เราก็จะต้องอปรับละที่นี้ถ้าเร า, าไม่สามารถที่จะปรับเอาความแปรปรวนได้นั่นหมายถึงตัวที่ผลของมันก็คือทุกข์ ไปเป็นอนนาตาที่เราควบคุมบัคขบัญชามันไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่าเรามาเจริญสติสัมปชัญญะซึ่งได้กล่าวไปเมือ่อคืนตอกย้ําว่าเป็นกุญแจที่สําคัญนะว่าการเปลี่ยนแปลงมีอยู่2ระดับหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปเองโดยธรรมชาตนะิเป็นไปโดยโดยธรรมชาติเช่นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทาสีที่เป็นกฎของใจรักนะมันก็ทําเรียมันตลอด ที่ไหนตั้งแต่เราเกิดจนตายอ่ะการเปลี่ยนแปลงทํางานตลอดเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะแต่ลักษณะที่เราไม่ได้ฝึกฝนเรื่องสติสมัมปชัญญะและปัญญาไว้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเอานำอาการเปลี่ยนแปลงที่เราทั้งเจตนาหรือไม่ที่เราไม่เจตนาเนี่ยให้เป็นตัวตัวรู้ได้นั้นในท่ามกลางคือการแปรปรวนเนี่ย เราจะต้องเปลี่ยนแปลงมันด้วยเจตนาเพราะรู้ว่าตัวแปลปลวเนี่ยมันเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงใช่เพราะฉะนั้นเราจะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อเพื่อที่จะบำบัดไอความแปลปลวเนี่ยให้เราอยู่ได้นะเราไม่สามารถจะนั่งนิ่งเป็นก้อนหินก้อนดินได้แล้วก็ปรับนู่นปรับนี่แต่โดยที่เราไม่รู้สึกตัวหรือว่าการปรับแก้ความแปลปลวนในร่างกายให้ออกไปโดยอานาจของอะไร อวิชาหรือสัญชาติยานเมื่อเราไม่รู้เท่าทันต่อความแ ป, ปลปรนเปนแ ป, ปลงที่มันมีอยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ยมันก็ถ้าเปลี่ยนแปลงไปด้วยอำนาจของวิชาและความสัญชาติยานมันก็กลายเป็นอะไรอาจเป็นโมหะนะไม่ได้กลายเป็นตัวปัญญาหรือวิชาละดังนั้นตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบก็คือ เมื่อรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันจะต้องเป็นไปนตามกฎของแต่ลักษไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เนี่ยมันเป็นกฎของมันที่ไหนมีรูปกฎแต่ลักษ์จะต้องเข้าไปปฏิบัติการตลอดเวลานะทีนี้จะทําอย่างไรที่จะเปลี่ยนตัวแปรปลวนอันเกิดจากรูปเนี่ยให้มันเป็นอํานาจของตัวเจตนาแทนที่มันจะเป็นไปเองใช่ไหมเราก็เจตนาเข้าไป ไปเปลี่ยนแปลงมันเสียมีเจตนารับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนที่มันเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นวัตถุดิบที่จะแปลค่าของสติสัมยะที่เข้าไปตามรู้ให้เป็นปัญญาเข้าใจได้นะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นตัวเจตนาเบื้องต้นก็คือตัวเจตนาต่อการเปลี่ยนแปลงที่เราสัมผัสได้ ก็คือการใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นลมหายใจนะหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าเรามีสติเข้าไปตามรู้ลมหายใจเข้าออกนะลมหายใจเข้าออกแล้วก็เอาสติสัมยะที่เราได้จากการตามรู้ลมหายใจเข้าออกนั้นไปตามรู้ใน การแปลปวนในส่วนอื่นของร่างกายที่เรามองไม่เห็นเช่นอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดความหนักความเบาของร่างกายเนี่ยให้ชัดนะให้ชัดมันก็แปลค่าตัวของความแปลปวนที่เรามองไม่เห็นเรียกว่าเวทนาเนี่ยให้เป็นตัววิชาหรือตัวปัญญาขึ้นมาได้แต่ปัญหาอุบายสับของตัวอานาปนสติ ซึ่งเป็นหมวดแรกของกายเลยนะ ท, ที่ตอนเช้าเราสวดไปไม่ถึงตอนเช้าเราที่อาจารย์ท่านพาสวดหมวดหลักๆว่าให้มีสติตามรู้นะซึ่งถ้าหากว่าสติเราไม่พอสติสัญญาเราไม่พอการตื่นรู้ของเราไม่เข้มแข็งโดยเฉพาะคนที่เคยทาําทสมัธนาทําสมถธามาก่อนเป็นประจำเนี่ยเราก็จะไปติดติดอะไรติดความสบายติดความสุขและความสบายความสุขเราแช่ไป น, นาน มันก็หมดอายุนําไปสู่อะไรมัไปสู่นิวรณ์เนะช่นเราหนับตานานๆแล้วก็จะง่วงละง่วงเราก็จะแช่แล้วก็จะซึมแล้วก็สติปัญญาก็จะอ่อนไปตามกําลังของมันแทนที่จะแปลเปลี่ยนเป็นปัญญาเป็นสมาธิเป็นอะไรก็เป็นโมหะตลอดเวลาในช่วงของการขาดสติสติปัญญา เ, เราปฏิบัติวิปัสนาเพื่อให้เกิดปัญญาแต่มันไม่ได้ผลออกมาเป็นอะไรเป็นอวิชาโมหะ เพราะนั้นการปฏิบัติวิปัสนา ห, หรือภาวนาของเราไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเลยแล้วก็วิ่งทํามันกลายเป็นธรรมเนีย ม, มกลายเป็นวัฒนธร ร, รมพระท่านก็ไม่กล้าบอกโดยตรงใช่ไหมเพราะมันอาจจะเป็นผลประโยช น, น์อะไรแล้วบางอย่างหรือเปล่านะกว่าจะเป็นกระทบ ค, ความรู้สึกหรือญาติโยมเสียศรัทธาหรือเปล่าแต่ในแง่ของพุทธธรรมแล้วเนี่ยจะเราจะศึกษากันด้วยเริ่มต้นด้วยศรัทธานี่ไม่พอจะต้องบวกปัญญาเข้าไปด้วยนะในวิชาด้านั้นอ่ะท่านเริ่มต้นโดย ว่าต้องพบกเรยมิตรใช่ไม้มผู้รู้จริงผู้เข้าใจจริงให้ชัดพอพบกเรยมิตรเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาสามประการหนึ่งเราได้ยินได้ฟังใช่ไม้มเรียกว่าสุตตามรยาปัญญาเมื่อได้ยินได้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรแล้วสองเราเข้าใจได้ไหมถ้าเราเข้าใจได้เป็นอะไรจินตามรยาปัญญาอันที่สองเกิดแล้วสมเมื่อเข้าใจได้แล้วไปทาเป็นไหม เอาไปทำเป็นเกิดปัญญาอันที่สามคือภาวนามนยาปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในหลักของวิปัสสนาตัวปัญญาต้องมาก่อนประการแรกต้องพบผู้รู้จริงผู้เข้าใจจริงมาบอกเราเรียกว่าการณมิตรใช่ไหมนี่องค์ขององค์ประกอบของที่จะทำให้เกิดองค์ของวิปัสสนาแต่สมถะเนื้เริ่มต้นด้วยศรัทธาแต่วิปัสสนาต้องเริ่มต้นด้วยปัญญาแม้แต่องค์มรรคล่ะใช่ไหมสมาธิถีกับสมาสังกปะเป็นอะไร เป็นอของปัญญานะี่มักมีองค์แปรเริ่มตัวเรียนปัญญานะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในหลักวิธีเนี้ประการแรกต้องได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ถูกต้องเข้าใจได้และทําได้ก็เป็นปัญญาสามประการเกิดแล้ใช่ไหมสุตตะจินตะแล้วก็ภาวนาเมื่อสามประการนี้เกิดแล้วเห็นผลชัดว่าอะไรเป็นอะไรมันถึงเกิดศรัทธาตามมา นะคือศรัทธาตามาแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความอดทนมีความาพยายามเกิดขึ้นนี่เป็นองค์ของตัวศรัทธาและตัวศรัทธานี่เคนําไปสู่ตัวทาให้เกิดองค์ของสมาธิที่ว่าสัมมาวายา ม, มาท่านะนั้นเอง <c oughs> ในวิธีการของหวงพ่อเทียนจึงตอบโจทย์ตอบสนองตัวนี้ได้ชัดเจนคือเปลี่ยน จากการพัฒนากำลังของสติสมรยะจากการกำหนดรู้จากลมหายใจหรือบริกรรมในวิธีการต่างๆนะให้เปลี่ยนมาใช้การเคลื่อนไหวข้อมือของเท้าแทนเสียอันนี้คือคื อ, คอทางออกของคนยุค ป, ปัจจุบันถ้าหากว่ากรรมฐานชุดนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยอามาเองเป็ น, เ ป, นเป็นคนแรกหละที่จะได้ผลตรงนั้นนะเพราะมีความมุ่งมั่นมากสมัยนั้น นะพ่อไปทำหลวงพ่อพุทธท่านในเดนปีหนึ่งหกหนึ่งเดหนึ่งแปดทำเท่าไหร่มันก็ไม่เวิร์กเพราะอะไรยังสูงสุดก็คือไปได้ฌานอย่างต่าสุดก็นั่งสนุกกับนิวรนแค่นั้นนะตีกลับไปกับมาอย่างนี้เวลาไปถามท่านท่านแกอารมณ์ท่านก็บอกว่าท่านอธิบายไว้หมดแล้วไปทำความเข้าใจกับหนังสือที่ท่านอธิบายไวไยไ้แล้วก็หมดอารมณ์ที่จะไปอาหารตรงนั้นใช่ไหมอ่านะพอมาหาหลวงพ่อเทียนท่านจี้ชี้ให้หลุดจาก อารมที่เราติดขนาดนั้นเลยอันนี้ข้อดีของท่านว่าเราติดอะไรที่ให้ดุดตรงนั้นไม่ไม่เกี่ยวข้องด้วยหนังสือตำราอันนี้คือข้อแตกตา่างดังนั้นในวิถีของอสมถะจึงเป็นทำเนียมด้วยไปแต่สมถะนั้นดีแต่ต้องแยกให้ออกว่าสมถะแบบแบบไหนแบบหินทับยากหรือแบบถอนรากยาก แต่ที่เรามาทำวิธีการรับพุเรียนเราจะทำสมถะเหมือนกันแต่สมถะแบบถอนรากหญ้าไม่ใช่หินทับหญ้าระหว่างใช้หินทับญา ก, กับถอนรากหญาไหนง่ายในหยา ก, กว่ากันถอนรากหญ้ายากกว่าหินทับญาไม่ยากเลยใช่ไหมคุณรังแปะไะนั้นคุณจะเมื่อไรก็ได้แต่แน่ใจไม่ว่าญากน้นมันจะตายบางทีพอพิกขีนี้ขึ้นเนี่ยมันงามวกว่าเก่าขึ้นเยอะเลยนะ ดังนั้นในชุดเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจให้ชัดกันว่าเรากําลังศึกษาเรื่องวิธีของสมถะที่เป็นวิปัสนาไม่ใช่วิธีสมถะที่เป็นตัวเจโตวิมุตต์เจโ ต, จตกรรมฐานซึ่งยากคนสมัยนี้ได้ทั้งเจโตเนี่ยมันแทบจะน้อยมากอะ่ะนะบุคคลเหล่านั้นถ้านจะต้องมีสติสมัมผัสสูงมีความพร้อมสูงเป็นผู้ที่ได้รับความสงบสงัดในที่ที่ วิเวปกปลีกเปลี่ยวที่ชัดเจนมากแต่ในสมัยเราสิ่งเหล่านี้มันมันหาได้ยากแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็มีทางออกโดยธรรมธรรมสมถะที่เอื้อต่อวิปัสนาเสียโดยอาศัยเก็บความรู้สึกที่เป็นไปนในรูปนาม ใ, นให้มากที่สุดในในในการใช้อริบบท่างๆในชีวิตประจำวันของเราเราก็สามารถที่บรรลุผลได้เหมือนกับท่านเหล่านั้นเหมือนกัน นะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีฤทธิ์มีเดชไม่มีพลังปฏิหารมีความขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรเหมือนกับพวกที่เขาทําเจตัวมาเราไม่ต้องหวังอยู่นั้นหวังแค่ว่าเรามีสติปัญญาสามารถแก้ปัญหากายปัญหาใจปัญหาชีวิตประจำวันที่เราเกี่ยวข้องอยู่ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยก็เพียงพอแล้วในใ น, ใ น, ใ น, ในยุค ข, ของเราะนะดังนั้นเองมาก็ใช้วิธีนี้มาก็ปรากฏว่ามันได้ผลกับตัวเอ ง, เองก่อนไประดัแ บ, บแรกนะ โดยเฉพาะโครงสร้างร่างกายเขา่อมาเนี่ยว่าไปไม่เป็นเรื่องที่แย่มากๆเลยนะแต่พอโดยใช้กรรมฐานหมดนี้เข้าไปเนี่ยมันทำงานได้มันอยู่ได้มันแก้ไขได้เรื่อยๆโดยที่ไม่หนักเกินไปและในขณะเดียวกันเราก็มีกำลังของตัววิปัสสนาเข้าไปดูแลรักษาจิตไม่ให้เราเพลินเราหลงเราสนุกไปกับความมรดอร่อยทางอายตนะทั้งหลาย นะดังนั้นเองก็ในภาคปฏิบัติของเราในช่วงสี่ห้าวันเนี่ยเอามาว่าเราก็คงมันเน้นว่าคุณต้องเดินให้ทะลุเลยนะคงไม่เน้นขนาดนั้นนะคุณต้องนั่งให้ทะลุปวดเลยนะคงไม่เอาขนาดนั้นนะอันนั้นเป็นวิธีของสมรถะแบบใช้พลังแต่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนในอัตราส่วนตามความจําเป็นของร่างกาย นะร่างกายของเราเราต้องการความโปร่งเบาสบายและการตื่นรู้เป็นหลักเราไม่ต้องการนิ่งไม่ต้องการสงบไม่ต้องการที่จะให้เกิดเห็นเกิดรู้อะไรที่มันประหลาดประหลาดซึ่งปัจจุบันในปัญหาของนักปฏิบัติก็คือนะมีอะไรมีการรู้การเห็นที่มันมันไม่ใช่เป็นธรรมชาตินะี่ได้เกิด ลัธิเทพองค์ทรงเจ้าขึ้นมากมายในประเทศไทยเกิดลัธีครั้งศักดิ์สิทธิ์รูปเหรียญวัตถุมงคลขึ้นทั่วไปท่วมแผ่นดินเลยใช่ไหมแล้วกลายเป็นกิจกรรมเป็นวัฒนธรรมเป็นอะไรที่ทำให้เราต้องไปหลงในสิ่งนั้นมากมายตอนนั้นเองมาถึงยุคเราเนี่ยเราก็ต้องมีการพัฒนาแล้วว่าที่แล้วมานั้นในพุทธศาสนาของเราซึ่งเป็น วิธีเรองการแก้ปัญหาที่รวดเร็วได้ผลแต่กลับว่าประชาชนคนไทยชาวพุทธไทยของเราเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆที่แก้ไม่ตกไม่ว่าเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรต่างๆใช่ติดหมดแล้วเราก็กไปไม่รอดนั้นแสดงว่าที่แล้วมาเราเป็นชาวพุทธ 30% แต่เป็นพราหมณ์ 70% มันถึงแก้ปัญหาได้แค่นั้นดังนั้นเราก็มาศึกษาเพิ่มเติม เพิ่มจากเปอร์เซ็นที่มัน3 0มให้มันเป็น 70% กดสบข้างกันดูนะสมาธิแค่สามสิบเปวิปัสนา 70% เพราะ น, นั้นวิปสัสนาเจ็ดหมายถึงว่าเราจะต้องมาเน้นการตื่นรู้และความโปร่งเบาสบายของกายเป็นหลัเราไม่ต้องการบังคับเอาร่างกายนี้เป็นกําลังพลังอะไรต่างๆซึ่งเราไม่มีความเข้มแข็งและไม่มีเวลาพอที่จะทําให้มันทะลุกันแบบนั้นได้ มาจึงไม่แปลกใจว่าพราะเหตุใดอาจารย์กรรมาฐานทั้งหลายเมื่อถึงบ้านปลายแล้วต้องเดี่ยงกันไปเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่ในสภาพที่เรียกว่าทำงานไม่ตลอดรอดฝั่งเนี่ยก็เพราะว่าส่วนหนึ่งใช้สมถะมากไปก็เป็นผลเสียต่อร่างกายนะร่างกายเขาไม่ทนได้ขนาดนั้นดังนั้นเราก็จึงมาปรับแก้นะตั้งแต่ปรับแก้มันนี้มาก็รู้สึกว่าเห็นผลชัดเจนทั้งผู้ปฏิบัติ และทั้งผู้ชี้นำเองนะนั่นเองในวันนี้เราจะใช้ลูกยิมข้างบนเราอาจจะใช้ทั้งสองข้างสมมติว่าเรามีเลยกันประมาณสักสามสิบนอาจจะข้างละ15ห้รือสิบสองข้างเรานั่งทั้งสองข้างแล้วก็ที่ตรงนั้นอยากจะให้ทำความสะอาดนะท้งช้ามาหรือใช้สายมากก็เช็ดให้สะอาดเพื่อป้องกันไรฝุ่นอะไรต่าง ซึ่งจะช่วยได้เยอะทีเดียวเราก็จะอยู่ในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของวิปัสนาเนี่ยต้องการธรรมชาติเนี่ยมากมากกว่าเพราะว่าจิตของเราถ้ามาอยู่ในการครอบคมรองการปรุงแต่งของอากาศของอาหารของสิ่งแวดล้อมรูปเสียงกิโลดเนี่ยมันก็ทําให้จิตของเราเนี่ยถูกเขย่าด้วยคลื่นของสิ่งที่ไม่ธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยทำให้จิตเราก็เพิ่ม แต่พราะจิตของเราอยู่กับธรรมชาติมากมากจิตของเราจะสงบตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต้องการความสงบเป็นการแสสงบโดยธรรมชาติไม่ใช่สงบจากอารมณ์ไม่ใช่สงบจากความการกระทบของรูปเสียงกิริย์แต่สงบจากกิเลสสงบจากการปรุงแต่งสงบจากนิวรณ์ให้เราสงบจากอย่างนั้นสมมุติเรานั่งไปเนี่ยเราต้องการความสงบ ถ้าเราง่วงเงาเงาหลับตาเนี่ยพอเราไปติดสงบแบบไม่มีอารมณ์แต่พอเราเข้าไปปลุกความตื่นตัวเกิดขึ้นอารมณ์มันตื่นตัวขึ้นมันสงบจากนิวรณ์สงบจากความคิดบงแต่งแต่ความตื่นรู้ปรากฏความสงบแบบนี้เป็นวิปัสนาเป็นวิปัสนา แต่สงบจากอารมณ์สงบจากการกระทบสงบจากการที่ไม่ต้องรู้ต้องเห็นต้องได้ยินให้รู้กันนิ่งๆอย่างเดียวเป็นวิถีของสมถะแบบพราหมนะแต่สงบจากการรบ ก, กวนของนิวรณ์ละธรรมต่างๆสงบจากการรบ ก, กวนของการปรุงแต่งในอารมณ์ต่างๆนี่เป็นสงบตามวิถีวิปัสนาเราต้องการคอาสงบแบบนี้นะอันนี้เข้าใจคอนเซปต์หลักไว้ก่อนดังนั้นถ้าใครมานั่งเสวยนิวรณ์งึง้งงัง้งงึง้งงั้เนี่ยมาไม่ยอมนะ มาต้องจี้จี่ให้หลืดถือว่าคุณกําลังเข้าไปสู่วิธีของสมถะแบบแบบพรามอ่ะแต่เรากําลังมาศึกษาแบบพูดแต่เราคุณจะไปทํานังนั้นได้ยังไงมันก็ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมทั้งนั้นอันนี้ต้องเบื้องต้นอะ่ะต้องต้องต้องว่าไว้ถึงก่อนนะแล้วในบทเรียนนะในช่วงแต่ละวันวันนี้เราเรียนของเรื่องกายานุปัสสนาซึ่งเราสวดไป แต่ว่าเราไม่ได้ลงในายรายละเอียดที่พิจิวะท่านไม่ได้ต่อเรื่องกาท่านจะพิกาเวพิคูกาเยกายานุปสัสสิมิหาราตนะิดูก่อนภิกษุทั้งหลายการมีสติตามรูก้กายในกายเป็นอย่างไรเล่าแต่ในภาษาของส่วนทั้นใช่การเป็นผู้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายเนี่ยตรงนั้นมันมันมีอะไรเพี้ยนอยู่นิดหนึ่งพิจารณาเป็นเรื่องของความคิดใช่ไหมการปรุงแม้ว่าเป็นทางดีไปทางบวกก็ตามแต่มันก็ใช้ ตัวคิดตัวสัญญาอยู่ดีแต่ท่านใช้คําว่าตามรู้เพราะฉะนั้นภาษาไทยขอราการตามรู้กับการพิจารณาต่างกันไหมหัวหต่างกันใช่ไหมการพิจารณาหมายถึงการใช้อาการของของจิตของสังขารถึงแม้ว่าจะเป็นบุญญาพิสังขารนะความคิดในปุงแต่งไม่ฝ่ายดีก็ตามแต่มันก็เป็นสังขารอยู่ดีแต่คําว่าตามรู้เนี่ยเป็นอาการของสติสัมปชัญญะ ใช่ไมไม่ใช่เป็นอาการของสังขารเพราะนั้นจันช่ยกว่ากกายานุปัสนากายานุปัสนาอนุ ป, ปัสนาแปลว่าตามรู้ตามเห็นอนุปัชนาสติมีสติตามรู้แต่ไม่ได้มีสติในการพิจารณาแต่ภาษาไทยมันพาไปนะตามตามสำนวนมันพาไปทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ไม่ดูรายละเอยียดตรงนี้ปุ๊บเราก็เออให้นา้พิจารณา <c oughs> <c oughs> มันก็เลย คือตามรู้หมายความว่าสิ่งนั้นความจริงมันปรากฏแต่ถ้าพิจนารณาเนี่ยความจริงอาจจะไม่ปรากฏก็ได้คุณยิบอะไรก็ได้ขึ้นมาคิดในทางที่ดีอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวธรรมะอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมมันก็เรียกว่าธรรมวิจารไม่ใช่ธรรมวิจัยแต่ถ้าการตามรู้ผลออกมาจะเป็นธรรมวิจัยะคือธรรมวิจัยคือกำลังตามดูในสิ่งที่ปรากฏอยู่ สมมติราความห่วงซึมเกิดขึ้นเนี่ยเราตามดูมันอยู่เมื่อตามดูแล้วถ้าหากว่ามันไม่ตื่นตัวเนี่ยเราก็จะต้องแก้ไขได้ใช่ไหมการตามรู้เพื่ออะไรเพื่อการเข้าไปปรับแก้ให้มาสู่ตัวสติสมญาที่สมบูรณ์นะเพราะฉนั้นสติสมญาที่สมบูรณ์ในแต่ละขณะมันต้องไม่เกิดการแปลปรวนออกมาในทางที่ที่ไม่พึงปรานานะงั้นการแปลปรวนหมายถึงว่า เมื่ออยู่ในอาการดูแลของสติสัมปชัญญะแต่ถ้าหากว่าสติสัมปชัญญะเข้าไปตามรู้อย่างถูกต้องแล้วมันก็มีการปรับแก้ถ้าเป็นร่างกายก็ให้เกิดความตื่นตัวสดชื่นแจ่มใสใช่ไหมถ้าเป็นจิตใจก็เกิดความตื่นโพรงเป็นสมาธิภายในแต่ถ้ามันแปลผลในลักษณะอาการสลือสลือหรือหน้านิ่วคิ้วขาเมื่อใดแต่วันนี้ไม่ว่ากันนะเพราะเมื่อคืนนี้บางคนนอนไม่หลับหลายคนใช่ไหม ได้ข่าวนะนะได้ข่าวว่านอนไม่หลับหลายคนวันนี้ใครจะแอบงีบบ้างก็ไม่เป็นไรนะในช่วงหลังอาหารชาเช้าอาหารเพลนซึ่งก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเรานอนที่บ้านของเราเนี่ย <c oughs> สิ่งที่อำนวยความสะดวกครบพร้อมทุกอย่างนะมีแอร์มีที่นอนนุ่มๆ ม, มีบรรยากาศชวนนอนได้ง่ายแถมมียานอนหลับเพื่อในะบางครั้งใช่ไหมแต่มาที่นี้ถ้าไม่จำเป็นไม่ใช้นะ <c oughs> ดังนั้นในเรื่องของกายานุปัสสนาท่านก็เลยเอาแบ่งเป็นการตามรู้อยู่หกทางแต่ส่วนให ญ, ญ่มาตามรู้อยู่ทางเดียวคือเรื่องลมหายใจแต่คงรู้มันถึงมีหกวิธีด้วยกันนะการตามรู้ใช่หมหนึ่งท่านใช้คาว่าตามรู้ลมหายใจเข้าออกถ้ามาแบ่งเป็นถึงสิบหกย่อยเป็นสิบหกอันนี้ไม่แน่เป็นพุทธพจน์หรือว่าเขาพระเกจิอาจารย์ตักาจารย์มาแต่งเติมทีหลังนะนะ อันที่สองอิิบุสี่ยืนเดินนั่งนอนให้สมดุลคาว่าสมดุลนี่หมายไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเดินส0มสนาทีนั่งสามนาทียืนสมสีมนาทีแล้วก็นอน 3, ามสนาทีอันนี้อันนั้ น, นไม่ใช่สมดุลแบบนั้นคาว่าสมดุลหมายความว่ามันไม่หนักเกินไปและก็ไม่เบาจนง่วงแล้วไม่หนักจนรู้สึกแปลรู้สึกกระวนกวายคือให้พอดีคาว่าสม่ำเสมใช้อิริบุ ปรับเวทนาภายในให้สม่ําเสมอคือไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปไม่หนักจนทรมานกโนกรนกไวยและไม่เบาจนกระทํามันเพลินเรื่องง่วงอันนี้คําสม่ำเสมอแน่ยีบทสอันที่สท่านใช้คําว่าสัมปชัญญะปัพพาแต่ในตัวยีบทให้มองให้ดูชัดๆนะแต่คําว่าในส่วนของการตามรู้ลมหายใจเนี่ยมีสองลักษณะ อาศุดูออาัสสติอาศุปัศสติให้มีสติตามรู้หายใจเข้าหายใจออกแต่พอมาในส่วนที่เข้าไปสู่เรื่องของระหว่างจิตกับกายที่จะไปด้วยกันเนี่ยท่านก็เอาตัวสติที่เกิดจากลมหายใจเนี่ยไปดูในลักษณะการศึกษาตัวนี้มาว่ามันมันยังไงอยู่ มันใช้คำว่าสภาพวะกายะปรีสังเวทีอาสัสิสามิติสิกขินั่นใช้คำว่าสิกขิศึกษาปัดสัมภยังกายะสร้างกาลังอาสัสิสามิติสิกขิซึ่งซึงตรงนี้คําว่าการศึกษาด้วยนะ่ะ เ, เป็นเป็นเรื่องของสติสมัมะจัญญะเป็นเรื่องของปัญญาแต่ในหมวดนี้มันว่าด้วยเรื่องลมหายใจอ่ะ ใช่ไหมตรงนี้อมาทุกบอกมันมีอะไรเพี้ยนๆอยู่นะแต่ถ้าเราเข้าไใจตัวบทตีบ ท, บทไม่แตกเราดูมันว่าปกติใช่ไหมไม่ไม่เข้าใจแต่ถ้าเราตีบทแตกแล้วบางอย่างมันขาดกันนะบางอย่างมันขาดกันนะทีนี้พอมาเรื่องของการเดินอะยืนเดินนั่งนอนท่านใช้คําว่าให้รู้ให้ชัดท่านใช้ว่าคัช้นตัวว่าคั้นมิติประชานาติคําว่าประชานจนิแปลว่ารู้ให้ชัดนะสมมุติกูยจะลูกเนี่ยคุณก็รู้ให้ชัดเดี๋ยวคนคุยจะรูก จะเป็นผ้คุณรู้คุณเลยชัดไหมไม่ชัดละ่ะไม่ชัดเป็นอะไรอ่วิชาคุณอยากรูกก้คุณรู้เลยแต่พ่อหากว่าคุณรู้ให้ชัดก่อนว่าฉันจะยืนนะนะก็ราตามรู้ว่าก่อนจะยืนเนี่ยร่างกายมันต้องเป็นไปแบบไหนก่อนรู้สึกถึงความบาลานซ์ของของการที่จะยืนไม่ใช่ยืนพลวดเลยใช่ไหมอย่างน้อยเราก็นุมตัวนิดหนึ่งก่อนจะยืนบาลานซ์น้ำหนักก็รู้ จะยกตัวขึ้นน้ำหนักถ่ายจากตโพวกไปสู่ที่ไหนไปสู่ขาอะไรใช่ไหมก็รู้ให้ชัดตรงนั้นคูอขาพ อ, อยืนได้เต็มที่น้ำหนักถ่ายไปไหนทั้งตัวเลยใช่ไห ม, ไมทั้งตัวเลยแล้วก็มาสู่ฝาา่าเท้านี่ชาตนลักษณะนี้เขาใช่ว่าคัา้นตัวขั้นชาติมีติประชานาติเขาใช้ประชานาติทั้งหมดเลยในแง่ของการใช้อิบทตสีแต่พอไปอิบทย่อยท่านไม่ใช้ประชานาติถ้าจะให้รู้ให้ทั่วหมดเลย ท่านใช้คำว่าอาภิกันเตปฏิกเตสัมปชานักาลีท่านใช้ว่าสัมปชานักาลีคือทําความรู้สึกดวงทักข์พร้อมชัดตั้งแต่หัวจุเท้าว่าขณะเดินแต่ถ้ามันเป็นชัดเฉพาะเท้าที่เหยียบถูกไหมก็ถูกแบบอิยิบบุตรสี่แต่ไม่ถูกแบบอียิบทย่อยถูกอียิบบย่อ ย, ย, อยหมายถึงว่าสัมปชานักทำความรู้สึกดวงตั้งแต่หัวจุดเท้าเลย ความสั่นสะเทือนระหว่างคุณคุณเดินใช่ไหมสั่นเทือนตั้งแต่ถึงไหนจากน่องขาเอาเท่าที่ว่ากําลังสติของเราที่จะสื่อได้แต่ถ้าหาว่ากําลังของสติของเราไม่พอแต่คุณไปสื่อด้วยการจินตนาสร้างภาพคุณว่าฉันรู้สึกทั้งตัวเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สัมปชัญญะกะลีแล้วคุณจีดจินตนาการช่วยมันใช่ไหมอันนี้คือรายละเอียดที่เราเรามองข้ามไป ให้รู้สึกตั ว, ท, วทั่วพร้อมนเะชื่รู้พร้อมแต่ฉันจินตนากา ร, ราให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่รู้ชัดๆจริงๆรู้แค่ฝ่าเท้าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในจุดเนี่ยมาถึงว่าบางทีอาจารย์จะมาฐานท่านก็ว่าตามประสบการณ์ของท่านเลื่อยเชื่อไปอะ่ะตามที่ท่านถนัดแต่พอมาเทียบกับตัวบทหลักวิชาที่พุทธิยถาท่านว่าไว้เนี่ยมันไม่ตรงกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความผิดเพี้ยนต่างๆ มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นในส่วนของอิรียบท ย, อย่อยท่านใช้คำว่าทำให้ชัดหมดเลยทำให้ทั่วไม่ใช่ทำให้ชัดคำว่าทำให้ชัดคือประช า, าติ น, ะนิสินโนวาณิสุนโนมาหีติประช า, าติผู้ปฏิบัติเมื่อนั่งให้รู้ชัดๆว่ากำลังนั่งอยู่นะไอชัดของความนั่งมันมันหมายถึงออทุกคนก็รู้ว่านั่งทำไมต้องไปชัดตรงไหนอีกอแต่ในชัดขณะนั่งใน ม, มีอะไรบ้าง มีหนักไม่มีเหนื่อยไม่มีง่วงไม่มีเหงาไม่มีปวดเมื่อยตรงไหนยอกตรงไหนขัดตรงไหนมีไหมการรู้เข้าไปตรงนี้มีมีเพื่ออะไรเพื่อเข้าไปปรับความสมดุลให้พอดีให้พอดีแต่ถ้ามันเบาเกินไปก็ไม่ได้ทำให้เราเพลินใช่ไมเดี๋ยวก็คิดเลยเปื่อยหรือนั่งหลับเลยถ้ามันหนักเกินไปแล้วก็กังวลกระวายจิตสัดสายใช่ไหมไม่เป็นสมาธิแล้วนี่ไม่ชัด เพาะว่านั่งชัดเหมือนควรจะนั่งตรงๆให้มีสมาธิชัดๆไม่ใช่อย่างนั้นนะคือดูความแปรปรวนที่มันกําลังเกิดขณะที่เรานั่งอืแต่พอไปในเรื่องของสัมปชัญญปะปาระไม่นอกนอกจากให้รู้ชัดแล้รู้ทั่วด้วยสัมปชานะมีทั้งสังมีทั้งปะมีทั้งชานะภาษาเขา่นะสังพร้อมปะชัดแล้วก็ ชานะให้รู้ให้ชัดได้ทั่วบวกทั้งอันแรกเข้าไปด้วยใช่ไหมในส่วนที่เป็นตัวสัมชปชัญญะบาะพระอันที่สองนั้นใช่ว่าอะโลกิเตวิโลกิเตสัมปชันากาลีโหติเห็นไหมแม้แต่เหลวซ้ายหลขวาก็ต้องต้องชัดในช่วงเหลวซ้ายไหลขวานี่มีอะไรที่ที่มันสัมพันธ์กันบ้างเอวต้องหมุนคอต้องหมุนใช่ไหมสายตาต้องหมุนแต่เราเคยสัมผัสมันบ้างไหมไม่เคยโดยเฉพาะยม ที่ทํากันเนี่ยวันนึ่งาการเหลียวใส่ไหลหัวมีเท่าไหร่เคยตามรู้ว บ, บ้างมั้ยแม้ว่าเป็นหมื่นเป็นแสนนะบางวันนะแต่เราไม่เคยเลยเพราะธรรมชาติมันแต่งให้เรากลมกลืนมากเลยใช่ไหมจนเราไม่ฉเหลีวใจว่าอันนี้ก็คือเป็นที่เกิดของสติสัมปชัญญะได้อันที่สามยิ่งชัดเลยท่านใช้วสัมมินชิเตปาสาลิเตสัมปัญญ า, ากาลีโมติการ เหยียดมือเข้าเอามือออกนี่หลวงพ่อเทียนโดยท่านมาเรียบเรียงเป็นสร้างจังหวัดถ้าใครจะบอกว่าวิธีการแบบนี้ไม่มีในพระแต้พิสดกนี่เอาตัวนี้ไปยืนยันเลยนะว่าในข้อที่สาของสัมปชัญญะปภะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคุณไปดูว่าสัมมินชิเตปาสาริเตสัมปาชาญะากาลีโหติเหยียนดะมื อ, เ, อเก็บมือเข้าเอามือออกใช่สัมมินชิเตปาสาลิเต สัมปชัญญะกาลีทันเมื่อโยกมือปรับเปลี่ยนขึ้นไหวอย่างนี้ความชัดเจนมีไหม <S <S เพราะฉะนั้นเน้นความชัดให้ทั่วเน้นความชัดให้ทั่วทั่วตั้งแต่หัวจุดเท้าแต่ถ้าเป็นตัวอิริบดสีเน้นให้ชัดตามจุดที่ที่เรายืนเดินนั่งนอนเราเดินจุดชัดมันคือฝ่าเท้าถ้าเรานั่งจุดชัดมันคือที่ไหนแต่โพก ใช่ไหมคุณมาีนั่งชัดไหมชั ด, ช, ดชัดทั่วตัวไหมถ้าทั่วตัวเป็นสมมติยะแล้วใช่ไหมแต่ถ้ามันชัดอยู่ที่เรานั่งเป็นอนิเดียบทยืนเดินนั่งนอนให้ชัดแล้วพอมาเป็นสมมตยะนอกจากชัดแล้วให้ทั่วด้วยกระด้างหัวจวดเท้านันนี้นะฮอันนี้อันต่อมาการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ภาษานี่ฉนใช้ภาษาของพระใช่ว่า สังขาติปัตะชีวราธารณนสัมปชานา ก, าการิโหติการนุ่งห่มรงนุ่งห่มสังขาติสบงทรงชีวออะไรต่างๆให้ให้ให้ใ ห, ให้รู้ให้ทั่วถ้าเป็นชาวบ้านของเราก็คือการแต่งน แ, แต่งตัวใส่ผ้าใส่เสื้อใช่ไหมการาวิผมวิพ้าวิผมการอะไรต่างๆเคยตามรู้ั้ยเวลาแต่งตัวตามรู้ไหม ไม่รีบแต่งตัวรีบจะรีบไฟใครจะมานั่งประดิษฐปดอยตามรู้อยู่นะแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นต้องรีบทุกครั้งใช่ไหมบางครั้งมันก็มีเวลาที่จะตามรู้อยู่มือเข้าไปหยิบผ้าทำไงยกขึ้นสวมตรงไหนก่อนอะไรทำนองเนี้นดูไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็อันที่ต่อมาท่านะอุจาระปัสาวะกมเมสัมปชานาการิโหติในขณะที่เข้าห้องน้ำมองสวมการอาบน้าการหนักการเบกากัน อหยิบสบู่การเปิดห้องน้ําการเปิดกอ๊อกน้ําการไอเล่นก่างไม่เคยตามรู้มัน ช, ะชะัดชัดไหมมีโยมคนหนึ่งเมื่อก่อนนายเป็นอา จ, จารย์สอนอยู่ที่เดี๋ยวนี้หกเกษียณไมละ่ะ <c oughs> สอนอยู่ที่ศิลปากรอาจารย์บัญญัติมาบทเปลี่ยนภาพพันศาหนึ่งที่วัดสนามในท่านบอกท่านไปเห็นทำขณะที่อาบน้ําอาบน้ํามาตลอดชีวิตไม่เคยตามรู้เลยว่าอามือไม้ปั่นไปไปอย่างไรขัด ถูขัดสีชวีวันอะไรมือไ ม, ไ, ไม่เคยตามรู้แต่พอเรามาเจริญสติแล้วฝึกการตามรู้ไปเห็นธรรมะในขณะอาบน้ำนะตั้งแต่มาอาจารย์ประหยัดก็เลยเป็นคนสอนธรรมอีกคนหนึ่งที่อะไรสิปก่อนเมื่อก่อนเคยไปช่วยท่านที่นั่นสมัยอยู่วัสนามในนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นสัมผัสธรรมะนะมีได้ทุกทกครั้งที่เรามีตัวสติสมญาชั ด, ชดในเรื่องเหล่านั้น ไม่ใช่ว่าจะต้องมาทําในรูปแบบอย่างเดียวนะบางทีบางคนกําลังทําอาหารกําลังโขลกน้ำพริกกําลังเด็ดผักกําลังล้างจานสามารถที่จะเห็นทําได้ตลอดการเห็นทำต้องต้องเห็นเรื่อยๆนะเพราะในบทที่เราสวดเมื่อวานเย็นนะบทสุดท้ายจําได้ไหมตัสมาสัทธันจะสี่รันจะปะซาทางธรรมทัศนังอนุยุนเชถเมทาวีสรังพุทธานศซาสนังเพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธาศีลความเรื่อมใสและการเห็นธรรมให้หนึ่งหนึ่งเท่ากับธรรมทัศนนังการเห็นธรรมให้หนึ่งหนึ่งคือมีสติสัมยาให้เห็นอาการเคลื่อนไหวการตามรู้ของเราเนี่ยบ่อยๆที่การเห็นธรรมการเห็นธรรมไม่ใช่บรรลุทีเดียวแจ่มแจ้งหมดไม่ใช่งี้ยคือการเห็นธรรมเห็นกายกับใจทํางานร่วมกันไปเรื่อยๆ แต่การที่คนจะทําอย่างนั้นได้ต้องมีข้อแม้อยู่เท่าไหร่สัททันจ่าสีลันจ่าภาษาทางสามอย่างสัททันจะาเอมีสีลันจ่าด้วยหรือเปล่าอาจารย์อาจารย์วินอาจารย์วินที่กำลังนั่งหลับอยู่เขาเปิดหนังสือเดื๋นวนี้ในบทนั้นนะ่ะในอริยธนคขาถาแก ง, ง่งให้ท่านหน่อยน <c oughs> <c oughs> อ่ะ อ, อริยสัตยสสัทธะตาค้าเดชาราสุบดิติตานะ ในหน้าประมาณยี่สิบแปดยี่เจ็ดยี่แปดมีสีเล่นด้วย่ะลงว่าดิจันมไม่ใช่ทัศมารโอมีสีมีศีลด้วยนะมีศรัทธาศีลความเรื่อใส และการเห็นทำศรัทธาศีลความเรื่มใสสามข้อดี่นะ <c oughs> มีทั้งก้องคุณไม่ทํางานอีกแล้วคุณมีทั้งศรัทธาตั้งใจทํานะ <c oughs> มีทั้งศีลก็คือคําว่าศีลในที่นี้คงไม่ได้หมายถึงศีลห้าศีลแปดแต่หมายถึงว่าทําให้เป็นปกตินะทำให้เป็นปกติ ที่ทาเนี่ยคืออย่าให้มันผิดปกติทำให้ปกติใหม่ถึงจิตของเราเนี่ยทาเป็นประจำคำว่าปกติในที่เนี่ยทำในสิ่งนี้เป็นประจำสีลัญจะกคำว่าสินได้ว่านิจจสีนคำว่าสีนลนี่เขาว่าเป็นจะสีลมีนิจจสีนขอโทษแล้วก็ มันมีทั้งปรมาทศีนิสมุติสีนิจจศีลสังคมสีลแล้วก็ในตัวนี้เป็นนิจจสีนคือหมายความว่าทำให้เป็นประจำนะทาเป็นประจาแล้วอันที่สามมีระษาทะมีความเลื่อมใสศรัทธากับประษาทะต่างกันยังไงยมฤลิ์อยู่กับศรัทธามานานศรัทธากับประษาธะต่างกันยังไงไม่เคยคิดเรื่องนี้เลย เออเราเราจะใช้ร่วมกันเสมอใช่ไหมมีศรัทธาประสาทศรัทธาเป็นเรื่องของทั่วไปทุกศาสนาต้องมีศรัทธาแต่ประสาทาเป็นเรื่องของพุทธศาสนาคำเนื้อท่านสุเมทโบหาคำหาคําจํากัดความยากที่สุดคือประสาทาแต่ศรัทธาหาคำจก็คือเฟสบ้างบิลลี่บังอะไรคอนฟิดเอนซ์บาง แต่คำว่าประสาทัานี้ต้องมาจาก trust trust หมายความไว้ใจอะวางใจเกิดความเรื่มใส trust แปว่าวางไว้ใจใช่ไหมอ่าไว้ใจเพราะนั้นศรัทธาอาจจะใช้คำ ว, ว่า faith ว่า believe ว่ uh, า confidence self confidence เ Conf ชื่อมั่นในตัวเองแต่ถามเป็นความเชื่อแต่ว่าตัวประสาทเรามาแปลว่าความเรื่มใสความเรื่มใสความมั่นใจ trust มีความไว้วางใจที่จะทำนี่ครูสอนภาษาอังกฤษนะต้องเอาเรื่องนี้ไปไ ป, ไปพิจารณาด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้มาว่าตัวปภาษาคือคือมั่นใจอะในวิธีการเนี่ยฉันรู้สึกมั่นใจนะอันนี้เขาต้องมีความไว้ใจว่าวิธีการนี่น่าจะนําไปสู่ตัวตนรู้ได้ง่ายที่สุดมีปภาษาแล้วหลังจากนั้นโดยธรรมโดยธรรมทัศนนั่งอะมันจะพยายามที่จะเห็นกนารกระทําตัวเองเรื่อยๆ หมายความว่าส่วนใหญ่เราทําไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าคือทําด้วยกายแต่ใจไม่ไปด้วยอะอันนั้นถือว่าทําไม่เกิดนะทําด้วยกายแต่ใจไม่ไปด้วยหรือทําแต่ใจแต่กายไม่ไปด้วยก็ถือว่าทําไม่เกิดแต่ทั้งกายกับใจทําร่วมกันเรียกว่าธรรมทัศน์คือการเห็นธรรมให้รู้สิ่งนี้บ่อยๆแต่ว่าท่านบอกว่าอนุยุนเชธาเมทาวีหมายถึงคนมีปัญญาที่จะทําได้ คือหมายความว่ามีมีคือคือเห็นประโยชน์อะ่ะคนเห็นประโยชน์ของสิ่งนี้นะเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ชัดเจนนะคนมีปัญญาหมายความว่าคนมีเห็นประโยชน์ชัดเจน <c oughs> ดังนั้นเองในจุดเนี่ยเราจะต้องทําให้ชัดเจนเสมอในการที่ที่หลวงพ่อว่าไปเมื่อกี้ก็คือการมีสติตามรู้แมก้กระขั้นเข้าห้องน้ําอาบน้ำถไายอุจจ า, าะระปัสสาวะต่อมาท่านบอกว่า ให้มีสติตามรู้ในการปีเตขายิเตสายจิเตสัมปชาญะกาเลียวทการตามรู้การดื่มการเคี้ยวการลิม้มการดื่มการเคีอยอย้ยวการลิ้มการดื่มปีเตสายิตเตขายิตเตการดื่มการเคี้ยวการดื่มน้ำ เคยตามรู้ไหมว่าเราดืมน้ำเนี่ยมันน้ํามันลงไปถึงไหนเนี่ยตามรู้ชัดชัดไบ่อยไหมไม่บ่อยร้อยหนึ่งได้กี่ครั้งอันนี้ก็ไปตามรู้เอาเองกันนะตามรู้นะตามรู้เพราะฉะนั้นเคี้ยวข้าวการเคี้ยวคำหนึ่งเคี่ยวได้กี่ครั้งจานหนึ่งเคยจับได้กี่ช้อนเนี่ยของแข็งเนี่ยเคี่ยวได้กี่ครั้งของอ่อนเคี่ยวได้กี่ครั้งอะไร พวกี้มาเค ย, เคยศึกษาตามรู้มาเรื่อยๆนะทําเพื่อการศรึกษาไม่ได้ทำว่าอยากจะเห็นทําไม่ใช่เงินเพื่อการศรึกษาดูเมื่อก่อนเราไม่เคยศึกษาเพราะนั้นในสีห้าวั น, เ, นเรามีเวลาเพื่อทําสิ่งนี้เท่านั้นเราไม่ต้องการให้ทําสิ่งอื่นนะเราการความสะดวกต่างๆโรงเรียนรูมบริการหมดใช่ไหมคุโมเรื่องอาหารนะคุโมต้องการใ้ตามบอกคุโมข้างหลังนะ นะเรื่องอาหารเรื่องสถานที่ที่หลัที่นอนพอใช้ได้ไม่ถึงกับสบายเหมือนบ้านอย่างนะเอาพอใช้ได้ทีเดียวนะดังนั้นเรามาทำเรื่องนี้เรื่องเดียวกันจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินให้ตามรู้ถึงแม้จะช้าลรหน่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ทั่วและชัดแต่ไม่ช้าทุกกั น, กนจุดช่องจนกลิงนนะช้าพอสบายๆนะอันนี้ในส่วนหนึ่งแล้วในส่วนต่อมาท่านใช้คำว่า คาเตติเตนิสิ น, นีพาสิเอสุเตชาคลิตเตตุนีภาเวสัมปัญชนะกาลีโมติมีสติมีสัมปชัญญะในความรู้สึกดัวทั่วพร้อมในการไปการมาการหลับการตื่นการพูดการนิ่งแม้แต่การนิ่งก็ให้รู้ด้วยขณะที่คุณนั่งนิ่งๆเนี่ยในขณะที่เรานั่งนิ่งๆเนี่ยการแปรปรัวในร่างกายมีไหมมีเนี่ยให้ตามรู้ตัวนั้นเอ๊ะฉันนั่งนิ่งๆฉันจะดูจุดไหนเนี่ย ไม่ต้องไปนึกหาเลยความแปลวนในร่างกายมีหนักมีเบา ม, เมีเย็นร้อนอ่ อ, อนขแข็งเค่งตึงเต็มไปหมดใช่ไหมก็ตามรู้ในส่วนนั้นให้ชัดๆนะอันนี้คือหมวดว่าด้วยอิริยบทย่อยนะทั้งหอ่ะาวารีสามอันหนึ่งลมหายใจสองเรื่องอิริยบทสี่สาอันอิริยบทย่อยอันที่สี่ก็คือธาตุสี่ดินน้ำลม ủ, ไฟธาตุสี่เรตื่นขึ้นมาก็เอาธาตุอะไรก่อน ทัดลมก็ทัดใยกันออกกําลังกายใช้ทัดลมใช่ไหมคือลมปราณหายใจเข้าไม่รู้ว่าทําท่องท่าโดนเช้าได้เน้นเรื่องลมหายใจด้วยเปล่าไม่ได้เน้นในวันต่อไปก็องจะเน้นอยู่โดยเฉพาะทําโยคะเน้นลมหายใจด้วยคือการตามรู้ในขณะออกกําลังกายมีอาการร้อนเกิดขึ้นใช่ไหมอาการลมทัดอาการเย็นอาการลมเข้าออกทัดลมแล้วก็ทัดไฟ แล้วหลังจากนั้นเราก็มาเติมธาตุน้ําด้วยการดื่มน้ําอุ่นได้กี่แก้วสองแก้วหลวงพ่อได้สองขวดเลยนะนะสองขวดแล้วน้ําอุ่นมันก็จะไปทําให้กระตุ้นเส้นสายของเราตื่นตัวหนะลักธาตุเรไปกระบวนการธาตุดินไปทานอาหารเช้านะเพราะฉะนั้นช่วงเช้าบริหารดินน้ําลวงไฟให้ได้เพื่อปรับสมดุลของร่างกายดินเช้ามาเอาธาตุลมกับธาตุไฟก่อนใช่ไหม เพราะถ้าลรงไฟงเสร็จก็มาธาตุน้ําดื่มน้ำอุน่นเพราะถ้าน้ำเสร็จแล้วก็ขณะนี้เป็นวิญญาณธาตุเป็นธรรมธาตุขณะที่เราฟังธรรมนี่นะธรรมธาตุเกิดขึ้นวิญญาณธาตุเกิดขึ้นแล้วก็ธรรมวิจัยเกิดขึ้นในช่วงที่หลวงพ่อทำํทำภาธรรมเนี่ยแล้วก็หลังจากนี้เราก็ไปรับอาหารก็เป็นธาตุดินธาตุาดินแต่คงไม่ถึงกระเจมังคูงโม ง, งานนี้เอาตา ม, าตามสบายแล้วก่นเนาะแต่ไม่เน้นเนื้อ เอาหมูไก่จะเน้นปลาเน้น ไ, ไข่เป็นหลักไว้ก่อนก็เลยกันแต่ก็มีบ้างนิดหน่อยนะให้ให้สบายๆเบาๆหนึอาหารเชา้าควรจะเป็นอาหารที่เบาสบายนะเพราะจะไม่หนักเกินไปเพราะเราไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ใช้พลังงานใดๆมากมายถ้าหนักทั้งสองมือเราจะง่วงทวันเนะช้าให้เป็นของเบาๆไว้ดินน้ำํำลมไฟอันที่สี่นะอันที่ห้าอาการสาบสอง เริ่มตั้งแต่เลผมขนเล็บฟันหนังเพราะฉะนั้นเอา อ, อาการมันเท่านั้นนะไม่ใช่ไปดูส่วนๆถ้าหากว่าไปพิจารณาหรือไปตามดูเป็นส่วนๆผมเป็นอย่างนี้ผมขนไปยิง่งเล็บเปยิ่งฟันไปยิา ง, นนางนหนังไปย่างเนื้อไปอยิางอะไรเนี่ยลักษณะนี้เป็นสมถะแต่ถ้าดูเพียงอาการมันเป็นวิปัสสนาท่านใช้ว่าทวติงสาการตามภาษาท่านนะ อาการสาสองอาการเป็นไงระหว่างโดยรวมอาการสามสองมันรวมกันแล้วตอนนี้อาการเราเป็นไงสบายหรือไม่สบายรูให้ชัดเย็นแล้วอ่อนแข็งเค้งตึงนี่อาการของของมันใช่ไหมเราก็ไปตามรู้อาการที่ปรากฏออกมาเป็นอาการไม่ใช่พระกรรมฐานที่ท่านไปพิจารณาแล้วก็มูลกรรมฐานที่เวลาพระไปบวชเกษาโลมานะขาทัานตาต้าโจตาโจทันเกิมาเกษานั่นเป็น มูล ก, กรรมาฐานอันนั้นเป็นสมถะเพื่อให้จิตสงบเท่านั้นเองแต่พอเป็นวิปัสนาให้ดูเพียงอาการอาการหลักๆ ก, ก็คือมีสบายไม่สบายมีหนักมีเบาแล้วก็มีเคลื่อนมีไหวเย็นร้อนอ่อนแข็งเค่งตึงก็ตามรู้อาการเหล่านี้ก็เป็นอาการสามสิบสองก็เป็นสมถะอยู่เพราะอาศารูปเป็นหลักใช่ไหมอันสุดท้ายปฏิกุล ก, กรรมาฐาน ก็คือในตัวของเรามีของเสียเยอะเลยใช่ไหมเวลาดื่มน้าเสร็จแล้วถ้ายังไม่ไล่ของเสียออกจากร่างกายคือไม่ถ่ายออกให้หมดช่งชวงเช้ามาก็ยังไม่ยังไม่ยอมทานอะไรนะวันไหนถ้าดื่มน้ำ อ, นอุ่นเข้าไปสองขวดแล้วมันยังไม่ออกนะวันนั้นต้องทำดีทอ็อกแล้วมาแทต้องไร่ของเสียไปก่อนให้นึกถึงหลักความเป็นจริงว่าถ้าเราปรุงอาหารไปเมื่อวานถ้วยหนึ่งวันนี้ เราก็เอาอาหารใหม่ไปปนอาหารเก่าเมื่อวานเราจะเททิ้งก็สาดายมันอาหารดีใช่ไหมเก็บ <_ d ick le> ไว้พรุ่งนี้เช้าค่อยเอาอาหารเก่าไปปนกับอาหารใหม่หรือปนอาหารเก่าเป็นไงกินอร่อยไหแล้ว เ, เคยทำไหมอย่าว่าแต่อาหารเลยแมย้แต่ถ้วยที่เททิ้งไปแล้วตั้งไว้แล้วก็ยังไม่กล้าที่จะใส่ต่อใช่ไหมต้องไปล้างอยูสะอาดร่างกายเราเหมือนกันอาหารที่เราใส่เข้าไปเมื่อวานถ้าใสเข้าไปวนันนี้มันไปปนกันเกิดเลยขึ้น อันนั้นคือคือที่มาของความไม่สบายกายความเจ็บความปวดความเมื่อยความไม่สบายทังกายทั้งใจเพราะอาหารข้างในมันมันมีปัญหาธาตุข้างในอ่ะเกิดปฏิกูลขึ้นมาใช่ไหมเราก็ต้องไปถ่ายไปล้างออกดังนั้นถ้าหากว่าการขับถ่ายไม่ดีนี่มีปัญหาเยอะเลยก็ต้องไปดูแลเพราะนั้นอสุภะแบบสมถะก็คือพระต้องไปตามประชา ไปพิจารณาซากศพใช่ไหมซากศพอืดขึ้นอืดวันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันห้าวั น, 3, ว น, 4, ว น, 5, วนจนกลายเป็นเน่าเป็นกระดูกเป็นอะไรไป น, น, นั่นคือหลักของสมรถรคท่านใช้คําว่าตัวอสุภกรรมาฐานแต่ในแง่ของวิปัสสนาท่านใช้ให้ดูอาการของเสียที่เรามีอยู่ในตัวเราตลอดเวลาออกมาทางตาก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นขี้หมดุดนะเอามาทางหัวก็ เ, กเรียกขี้อะไรไม่ใช่ขี้หัวหรือขี้อะไร ขห้รังแขแต่ว่าถ้าออกมาจากรักแร้นี่ไม่เป็นธรรมเลยของตัวเองชัดๆเหรอว่าขี้เต่ามันเไม่ไม่ไม่เป็นธรรมให้กับเต่าเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันของเสียร่างกายตลอดเวลาทำไมไม่ดูสิ่งเหล่านี้ถ้าดูสิ่งเหล่านี้ร่างกายของเราแปลปวนเปลี่ยนแปลงซสืมตลอดเวลาใช่ไหมแล้วจะเป็นรักมันเป็นหลงมันเป็นไหมโอ้จะพ่อของบริหารของตัวเองก็แทบแย่อยู่แล้วเผลอไปรักคนอื่นไปหลงคนอื่นอีกอะ แสดงว่าไม่มีกรรมฐานอยู่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาพิจารณาแค่นี้มันไม่มีอะไรน่ารักน่าหลงใช่ไหมมันมีแต่ว่าจะช่วยกันให้มันอยู่ได้อย่างสบายโดยไม่ทุกข์อย่างไรในฐานะเป็นมนุษย์แต่เราก็ต้องไปตามกรรมของเราใช่ไหมเราเคยทํากรรมอะไรไว้ก็ก็ต้องไปบันดาลให้เรารักเราหลงเราจนกระทั่งมีรูปมีนามออกมาบริหารรูปนามบริหารรูปนามของเราเองก็จะหนักอยู่แล้วใช่ไหมเก็ไปหาบางคนรูปนามตัวเดียวไม่พอนะรูปนามหลายตัวด้วย อันนี้เขาเรียกว่าพราฮ า, าเวมันจะขันธ์ธาเลยว่ามีรูปนามเยอะๆมันเป็นทุกขนาดหนักแต่เราก็ไม่ฟัง เ, เพราะอะไรเพราะวิบากกรรมของเราเองเนะกว่าเราจะรู้ก็อใสไปแล้วใช่ไหมหลงมีรูปนามไปเยอะแล้วนะดังนั้นนะช่วงเช้าเอาแค่นี้ในเรื่องของกายอย่างทุพสนะตรงไหนไม่ชัดถามบอกได้นะคือเวลาเรามีสั้นเพราะในเรื่องของทฤษฎีวิชาการก็คือส่วนที่หลวงพ่อพูดเช้าเนี่ย นะใครมีสงสัยไหมถามก่อนก่อนที่จะเลือกกันนะไม่มีนะไม่มีก็เอาไปทบทวนว่าช่วงเช้านี่หลวงพ่อนำเสนออะไรบ้างนำเสนอเรื่องการใช้ลมหายใจเนี่ยมีอยู่แล้วตลอดเวลาตามรู้มันหน่อยไม่ต้องไปนั่งดูสูตรมันเป็นพิเศษเหรอกถ้าไปนั่งสูดเข้าหายใจเข้าออกเป็นพิเศษนี่ก็งงแต่มันมีตลอดเวลาตามรู้มันอ่า ตามพูดตามธรรมชาตินั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เราหายใจตื้นท่านเน้นนะหายใจลึกๆยาวๆไว้ก่อนอเมื่อวานก่อนเราไปจัดอยู่ที่วัดถ้ำแสงเทียนมีหมอลามาไปหลายคนหมอคนนึงเป็นคนหนุ่มมากอายุยังไม่ถึงสามสิบเลยแกทำแค่สาวันแกเก็ตเลยนะว่าเขาบอโอ้ทำไมคนเราหายใจสั้นตลอดแต่คนจริงแล้วเนี่ยร่างกายมันช่วยหายใจยาวอยู่แต่ว่าสัก ห้านาทีเจนาทีมันจะหายใจยาวสักครั้งโดยธรรมชาติของมันแต่ถ้าเราหายใจยาวเรื่อยๆเนี่ยเราจะสมาธิดีโดยธรรมชาติเราร่างกายเราจะดีโดยธรรมชาติส่วนใหญ่เราหายใจสั้นหายใจไม่ถึงท้องนะหายใจผ่านแค่ อ, อกนะเพราะฉะนั้นฝึกลมหายใจยาวๆเขาไว้วในช่วงอาณาปาร์ไม่ต้องไปนั่งทําพิเศษอะได้ตลอดเวลาเลยนะทั้งเข้าทั้งออกแล้วก็ เรื่องที่สองก็คืออีเดียบทรู้ให้ชัดๆยืนหรือนั่งนอนเรื่องที่สารู้เรื่งทั่วตัวทั่วพร้อมหัวเจียรเท้าอันที่4ี่ก็คือบริหารท่าสีช่งชวงเช้าเราทํำอยู่แล้วออกกาลังกายดื่มน้ำใช่ไหมทานอาหารแล้วก็อันที่5ก็คือดูอาการ32มของเราที่เป็นอาการเย็นแล้วนอนแข็งเคร่งตึงสบายไม่สบายดูเหมือนให้ชัดๆ อ, อันที่6กก็คือเอาของเสียออกจากร่างกาย พยายามดื่มน้ำให้เยอะหน่อยเพื่อมันจะได้ล้างของเก่าออกไปของเสียเราก็จะไม่ทำร้ายเราในตอนกลางวันถ้ามีของเสียข้างในร่างกายเยอะแล้วจะง่วงเงาเบื่อเซ็งได้ง่ายเลยมันมีผลต่ออารมณ์นะหนักเนืดเนือเน้อตัวไปหมดของเสียนะตอนนั้นช่งชวงเช้านี้เราเอาไว้ท่านี้นะครันโมธนาสาธุที่เราจะตั้งใจศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ร่วมกันไปแล้วก็ในภาคปฏิบัต เราก็จะทำให้มันสอดคล้องกับหลักของปริยัติให้ถูกต้องเพื่อให้เราไม่เสียเวลาและความตั้งใจเป็นพระวจีให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมในละเอียดปาะนี้จนกระทั่งถึงการทำลายกิเลสอาสวะโดยการทุกคนทุกท่านท